ศดียาขุราขุราขุราาขุราขุร a ขุร و ่าฟิซัลุ وحمله وفصاله ثلاثون شهرة حتى إذا بلغ أ ش د ه وبلغ أ ر ب ع ن ن قال ربي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت ع ل ي أنعمت ع ل ي وعلى والديا أنعمت ع ل ي وعلى و ا ل د ي و أ َ ن أ ع م ل ص ا ل ح ً ا ت َ ر ض ا ه ُ و أ ص ل ح ل ي ف ي ذ ر ي ت ي و أ ص ل ح ل ي ف ي ذ ر ي ت إ ن ي ت ب ت إ ل ي ك ว่าอินิมินัลมุสลิ م ีนบาสอัลลอฮุ რ าะห์มานุรรฮิมอินน الحمدللله ن ะ حمدلهونستعينهونستغفروونعوذباللهمنشروريأموسناومنسيئاتعمالنامايهديهاللا فلا مضللاومايدللفلا ا د ي ل ا و أ ش ه د أ لا إله إلا الله و د ه شريك له و ่าชาดวนะมุ hammad านั رسول ه ัลลอฮุมะบิกะ ا ل ลบะฮ์ ك ะว و บิ ن ะอัมไซน م ว ت บิกะนาฮัยะวะบ و ก ب นามุทีว ي อ ا ลัยกะนุชูร์อัลก ب ญบิก ل ลิมัติลลาฮิตามะติมินชาริมะคลักบิสมิลลาฮิ ا ลาดิลลายดุรุมะอัลหมิฮิชาอิยุมฟ ا ลอาร์ วับีมุฮัมมัดีรษูเลยะ Allahumma إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبري ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبري ل l l a h عافني في بدني وعافني في سمي وعافني في بصري a l l a h إني أعوذ بك من البرس والجنون و ا, آ ل ج, ج ز ا م من سئيل أ ش ق ا م Allahu ma ini auzu bi kamil sayyil asqam Allahu ma ini auzu bi kamil sayyil asqam พี่น้องที่ร่วมนมัสกาบส์ที่มัสยิดอัลบาดิสุนนะที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการ a ฟซบุ๊กสวรรค์ในบ้านนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านทุกจังหวัดนะครับ ขอบคุณอัลลอฮุสภาอูนาลาที่อัลลอฮฺให้ผมมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆ น, อยนะครับแล้วก็มาทำหน้าที่อธิบายกุรานวันนี้เพียง5อายาะนะครับอายาที่ 11, 12, 13, 14, 15สองสิบสามสิบสี่สห้จากซุรออัลอาคออัลอฟคนี่แปลว่าสันสาย ทรายที่รวมตัวกันเป็นเป็นหลังเต่าในนมการมีทำไมเอาลราพูดถงองอความให้เราได้สนสนใจทุกเรื่องที่ผ่านหน้าเรานะอนายะที่สิบสิบเอ็ดวกอลลลาดีนักฟารลูลลลาดีนักอาแมนู เราแก่นาคอยรอมมาซบากูนาอิลัยอ้ยา น, นี่ดีมากครับอัลลอฮ์เก็บคำพูดของคนกาเฟทที่ตำหนิอัลกุรอานคือคนที่รับนับถืออัลอิสลามในสมัยนบีเนี่ยเป็นคนจนๆหมดเลยเช่นใครบ้างเออชื่อสักสีกชื่อนะท่านบิลานีก็จน ท่านอามาต์เนี่ยก็จนสุไหบเนี่ยก็จนข บ, บ้าพก็จนทั้งหมดเราเนี่ยได้ไปสวรรค์หมดทีนี้คนรวยๆในนครม ก, กาเนี่ยเขาก็ตำหนิกุรานเขาบอกท่าถ่าถ้าถ่าคุรานเละมีมีของดีเนี่ยต้องถึงพวกเขาก่อนไม่จะถึงคนจนๆก่อน เราก็เลยประทานอันกุ่นหลวงลมมหกากษัตรินบีวะคนอาหรับหโหน้ามุชลิกินคุณกาฟเฟนในนครมักการเนี่ยเขาดูถูกกูนอ่านว่ายัางนัเขาดูถูกมูฮัมหมัดด้วยาดูถูกว่างี้วากอลลา ล, ลีนากาฟาลูและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธได้กล่าวลินลา ล, ล, ลีนามมนูกล่าวกับผู้ที่ศรัทธาว่าเราเราบริวารทาหากการาคอยรอน ถ้าหากูนี่คอยรนเนแตลว่าความดีถ้ามีของดีอยู่คําว่าคอยในของเครสก็เรียกคอยของของของเครสนะมันจะของเครสนะของเครสของคอยของของแห่งความดีลินลาวินามาน์กล่าวกับผู้ที่ปฏิคนกาเฟตกล่าวกับกล่าวกับคนมุูมินบอกว่า เหล่ากาณาคอยรอนถ้าหาว่ากุรานี่มีของดีอยู่มาซาบากูนาอิไลอัลกุรานก็จะไม่ไม่ถึงพวกกาเฟตจะไม่ถึงมุมลินก่อนต้องถึงคนกาเฟตก่อนต้องถึงคนรวยก่อนไม่ไม่จะถึงคนจนก่อนถ้ากุรานเลื่อนี้ดี น, นะนะต้องถึงถึงมือคนกาเฟตก่อนเพราะคํามองเ ข, งขง้าความคนจะเด่นจะดี เขไมได้มองที่เขาไม่ได้มองที่คนเราทำการมองที่เงินกับรวยหรือเปล่ารวยหรือเปล่ามีบ้านใหญ่หเป่าไม่มีตําแหน่งการงานงานหรือเปล่าแบบคนในปัจจุบันนี้มองคนเหมือนกันคนจะเป็นผู้ว่าจะต้องรวยก่อนใช่ไหมจะเป็นสสต้องรวยก่อนใช่ไหมมองเหมือนกันความความรู้สึกของคนในสมัยนี้ก็สมัยก่อนนี่มองเหมือนกันหมดแต่อิสลามมันจะสอนอย่างงั้นอิสลามไม่จะมองคนที่บ้านช่องฐานะการเงินการทอง มันไม่ไม่ไม่ได้มองที่ร่ำรวยหรือโจนแต่มองที่อัครากมารยาตใครจะหัวใจของเขาผูกพันกับเอาลอกคนนั้นเป็นคนดีถึงจะไม่มีอะไรเลยก็จะไปสวรรค์เช่นอย่างกับวันที่นบีขึ้นเนี่ยอรอดเข้าไปในสวรรค์เนี่ยพอเมลกล้าพานาบีเข้าสวรรค์นบีเห็นชายซินาบิลานเดินอยู่ข้างหน้าท่าน สนานนบิลานะมีอะไรบ้านก็ไม่มีเมียก็ไม่มีครอบครัวใหญ่ก็ไม่มีลูกก็ไม่มีรถก็ไม่มีสักคันหนึ่งที่ดินซอยตารางวา น, นึงก็ก็ก็ไม่มีแต่ว่าอยู่ในสวนสวรรค์ของอลัอลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์นั้นเลือกคนจะไปสวรรค์ไม่ใช่เลือกคนรวยเลือกคนดีเลือกคนที่มีอิมานต่อรัลูกหัวใจของคนที่นอดน้อมคิดถึงอัลลอฮ์และเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และเชื่อ เชื่อฟังปฏิบัติตามตามนาบีวันนี้ก็เหมือนกันเาลาเลือกคนที่คนจนๆเดินไปสวรรค์หมดส่วนใหญ่นะแต่จนต้องมีศาสนาด้วยนะมาจนเนี่ยมีศาสนากม็มาได้ไปวอะลลลานอฮฺน า, ลลลน า, านี่ลลาบรรดาผู้ที่กาฟารูผู้ที่ปฏิเสธ คนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่เชื่อไม่เชื่ออีมานหกข้อไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ปฏิบัติตามรักกนอิสลามอีก5ข้อรัฐรรมนูญสิบเอ็ข้อนี่นะแล้วก็ไม่เชื่อว่ามุฮัมมัดเป็นนบีของอัลลอ์และไม่เชื่อว่ากุณอ่านที่ถูกประทานลงมาและมาจากอัลลอฮ์เขบอกว่ามาจากไซต์อนวกอลัลาีนกฟรูแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธ กล่าวกับผู้ที่ลิน ล, ลาดีนาอามานุกล่าวกับผู้ที่อีมานต่ออัลลอฮ์ว่าเรากานาคอยรอนเราเปรวัฒหากการนาคอยรอนถ้ากูรอาเล่นมนี้มีความดีอยู่มาซาบากูนาอีไล่ก็จะถึงมือพวกคนก็จะถึงมือคนถึงมือพวกเราก่อน อีไลิก่อนทีจะไปถึงคนจนๆใน น, นครมกาไว้อิสลัมยาตาดูบิฮีและเมื่อพวกเขาไม่ได้รับทางนำฟาซายาูลูนะพวกเขาก็จะพูดว่าฮาราอิฟกุงกอดีมนี่คือ เรื่องโกหกกุเป็นกุณอ่านคือคือคำพีที่กุขึ้นมาโดยโดยฝีมือน บ, บีมุฮัมมัดเขาจึงไม่ยอมอ่านมือชอแล้วก็ไม่ไม่ยอมรับก็จะจะเ อ, อ่ยคํานี้แหละและ้วคุณอ่านเนี่ยวันนี้คนที่อ่านคนอ่านกุณอ่านคนที่มาสตเราใช่ไหมคนจนๆตรงนั้นแหละที่อ่านกุณอ่านอยู่วันนี้คนรวยเนี่ยไม่เคยจับหรอก มันก็เป็นการเตือนตัวเรานะพ อ, อยาอ่านกุณอ่าน ส, สม่ําเสมอจะเป็นคนดีได้เนี่ยต้องมีกุณอ่านเป็นทางนาสําหรับชีวิตแต่ต้องรู้ความหมายด้วยนะเอาตัวมาอายาที่สิบสองว่ามิงกอบลีฮีแล้วก่อหนนะ้าคำพีกุณอ่านเนี่ยกิตาบูมูซามีคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งของของใครนะของนบีมูซา คำพี่เล่นมนะี้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะเตารอ อ, อิมามันเป็นทางนําเป็นอิมามวารามาตัแล้วก็เป็นความเมตตาเนี่ยอัลลอฮ์ยืนยันกนะคำพกุณอานบอกว่าคำพี่ที่น บ, บีมูซานาะมาเนี่ย ม, มาจากอัลลอฮ์นะที่พวกคริสเตียนไม่ยอมรับพวกยะฮูดีปฏิเสธแล้วกเค้นข้านะบีมูซานะี่จากนบีมูซาเตืงบืมก่กา่ขนนะี้นในบาบอย่างแรงเลยนะั่น ว่าฮาดากีตาบุญคมพี่กุลอ่านฮาดาเล่มนี้คมพีกุลอ่านเล่มนี้เนี่ยกีตาบุญเป็นคัมพี่มุสลิมที่ยืนยันยืนยันคัมพี่ที่มาก่อนก่อนหน้าทั้งหมดอธิบายยังไงคือว่าทุกนบีที่มาก่อนหน้าในโลกนี้นะ่ะมีคัมพี่ติดมือมาด้วยอย่างนาบีนัวก็มีคัมพี่มานาบีมูซาก็มีคมพี่มานาบีอีซาก็มีก็มีคัมพี่มา คุณอานเนี่ยมุสลิมดึกเป็นผู้ยืนยันคำพิคืออื่ น, นที่มาก่อนห น, นา้านบีเขาคีร์กุรานลิซานั่นเป็นภาษาอาหราบับยันเป็นเป็นภาษาอาหรับกุณอ่านเนี่ยอัลลอฮ์เล่าเองเป็นภาษาอาหรับกุณอ่านที่นบีมุฮัมมัดนํามามาเนี่ยเป็นเป็นภาษาอาหรับนะลียุนซีรอเพื่อมาเพื่อมาเตือนให้เลิก เพื่อเตือนให้เลือกเรื่อเตือนสำทับอัลลอฮฺนอัลลอมูบันดาผู้ที่ผู้ที่ทำผิดหรือคนคนคนค น, คนอาธรรมกุนอาเนี่ยเหมาะสำหรับคนชั่วคนชั่วถ้าอ่านถ้าอ่านกุนอาจะรับรั บ, ร, บ, ร, บรับอิสลามกันหมดเลยยูนซีรอนอัลลอมูมาเตือนคนคนที่คนที่อาธรรมว่า บ, บุชรอแล้วก็แจ้งข่าวดี ลิล้นมัวนสิ่งนี้สำหรับคนที่ทําความดีคนที่อีหมานต่ออัลลอฮ์นะฟังกุณอ่านแล้วสบายใจคนที่อีหมานต่อวันอาคราอีหมานต่อวันสิ้นโลกอีหมานต่อนบีอิหมานต่อคําพี่อีหมานต่อกฎกอดอกกัดดัห ก, ก, ก, ก, ก, กรายการเนี่ยพออ่านคุณอ่านแล้วก็อีหมานมันเพิ่มแล้วนกะ็อ่านแล้วสบายใจแตก็เป็นการเตือนคนรอนเลมให้เลิกทําความช่วย ตัวมาเยติชิฟซาอินนัลลทีนักลาววรบบุนัลลอฮอินนับวแทาจิงอัลลั้นบันดาผู้ที่กลกล่าวว่ารบบุนัลลอฮอัลลอฮเป็นพระผู้อภิบาลของเราพวกเรานีนกล่าวอย่างกล่าวแล้วใช่ไหมรบุนัลลอฮอัลลอฮเป็นพระผู้อภิบาลของเราไม่ใช่เป็นพระเจ้าของเรานะ เป็นพระผู้อภิบาลเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้รวยให้โจนให้เป็นให้ตายให้เจ็บให้ป่วยให้แข็งแรงไม่ให้แข็งแรงให้นุ่นให้นี่ให้สารภาพอัลลอฮ์ให้หมดเลยนะไม่ใช่เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นในความบังเอิญก็ไม่มีทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์กำหนดทั้งหมดรับบุญอัลลอฮ์แท้จริงคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของเราแล้วก็ สุมาสตากอมดแล้วก็ยืนหยัดยืนหยัดในตำสิอธิบายว่ายืนหยัดทำท ำ, ทำทำทำทำทำอามันทิซอแล้วแล้วก็ยืนหยัดในเรื่องเรื่องตาอเหตด้วยยืนหยัดว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอิสตากอรมดไป ว, ว่ายืนหยัดยืนยัดว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวไม่ทำชิริกยืนหยัดในการอามันทิซอแล้วนบีทาำรูปแบบอะไรไ ว, กว้ก็ตัวทำตามน บ, บีให้หมด ถ้าม่เอานาบีมาเป็นแบบเนี่ยทํำไรไม่ถูกเลยนะใช่หรือไม่ใช่ทําไม่เอานาบีมาเป็นแบบทํำไรไม่ถูกไปอย่างเนี่ยนะเนี่ข้าสุราก็เข้าไม่ถูกอ่านน้าน้ำมาน ก, ก็ไม่ถูกทําตามใครหละฉะนั้นต้องเอานาบีเป็นแบบอิสตากอมูเนี่ยแปลว่ายืนหยัดให้แน่นจะจนถึงจะมีจะรวยขนานไหนก็ตามอย่าทิ้งอิสลาม จะจนแค่ไหนก็ตามรเจ็บป่วยแค่ไหนก็ตามอย่าเชอิสลามคนที่ที่อยู่ในท้องปลาชูน บ, บีอะไรนะน บ, บีนยูนุสอันดุอาบุญนานที่อัลลอ์ให้าให้ให้ใหใหปลาคลายลาอิลลฮ์อิลลัอันตะสุบฮะ น, นักอินนีคุนตูมินัลลอลิมีนตกน บ, บีอีกคนชูน บ, บีอายุนอนปวดตักี่ปีนะแปดก้าปีจนกระทั่งขึ้น นอนขึ้นที่ตัวเนี่ยอัลลอฮฺสั่งให้อ่านให้อ่านดวอาอินนีมาสานยียดูรัวอันจะอาหามุรอฮัยเมนแล้วก็จะให้หายให้เอาเท้านี่ยกระทืบกระทือบดินน้ํามันจะพุ่งออกมาทางก็เป็นยาเป็นยาชนิดหนึ่ ง, างการกระทืบดินแล้วก็ให้น้ำพุ่งออกมาแล้วสาโรคได้เขามีโรคใครบอกว่าโรคโฮเมโอพาธี ดังนั้นตัวนี่ต้องนึกตลอดเวลาจะขอตัาให้หายผมอ่านตัวทุกวันอ่ะอันีมัสยิดัลจุลวอันตฮามุรราฮิมิอนอนอยู่ท้องปากกอนละอิลลัฮ์อิลลัออันตะซุบฮนกอินนีุนตุมินอัลลอมินในท afsir อธิบายบอกว่าอายที่ 11นะ น, นะขอทวนเรื่องเก่านิดหนึ่งนะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อซินนีโรซินนีโรเนี่ยเป็นทาสแล้วก็รับอิสลามอับุลหานเนี่ยลงโทษซินนีรโรด้วยการเคี่ยนตีจนกระทางตาเนี่ยบอด ก็พูดบอกว่าอิสลามดีอะไรถ้าอิสลามดีต้องต้องถึงมือฉันก่อนไม่ใช่ถึงมือจินนีรอก่อนไม่ใช่ถึงมือกคนยากคนจนคนชายคนท่าก่อนไม่ได้ต้องถึงคนรวยๆอย่างฉันก่อนแล้วรอ ก, กับบทที่อันกุรอานอายาที่สิบเอดเนี่ยลงมากระทัานนาบีนบีเลยผมรู้อ้ออัลโบรญ่านี่มันดูถูกกุรอานเนี่ยวันนี้กรุรอานลงมาตั้งพันหพันสี่ร้อปีแล้วใช่ไหมล่ะ คนกาเฟก็ยังดากุลาน์เหมือนเดิมนั่แหละต่อมาครับอายที่ส al ามอินนัลลีนกโลูแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าววา่ารั บ, บุนัลลอฮอัลลอ์เป็นพระผู้อภิบาลของเราซุ ม, มัสตะกอมูลาผูกเขายืนยัดอิสติกอมะแปลว่ายืนยัดนะยืนยัดยืนยัดในสองเรื่องหนึ่งเตาฮิสองอามันติอแล้ว ยืนหยัดในการในในพักในการพักดีต่อรอไม่ทำริกไม่ไปหาหมอดูไม่ไปหาหมอศยศาสตร์แล้วก็อามานที่สอแล้วยังนมาห้าเวลาต้องทำอยู่ไน ป, ประจำขาดไม่ได้เลยหยุดไม่ได้นะครับต้องมามาสัสยิดพยายามเดินมามัสยิด มาดูรางวัลลาข้าฟุนอะัยหิมจะไม่มีความกลัวแก่พวกเขาคนที่ยืนหยัดในอัลลอฮ์องเดียวเนี่ยนะทำเตามีเตาฮิดแล้วก็มีอามานจิตซอแลเนี่ยลาข้าฟุ้นอะัยหิมไม่มีความกลัวคำว่ากลัวอธิบายอย่างนี้เวลาตายแล้วนะไม่มีไม่มีกลัวที่ที่ที่กูบสเพราะว่าต้องมีมเลย์กามาสอบที่มัติกูโวน่สอบสามเรื่องนะ มารับบุกมามันนบีอยู่กัมันอิมามุกัคนมุ่มินเนี่ยสอบผ่านหมดเลยแต่คนกัปเพทสผ่านไหมไม่ผ่านครับเนี่ยรลดร้ายนกับเป็นกลัวลาเข้าพูนอะไรที่ไม่มีความหวายกลัวที่กูโบแล้วก็วาลาหุ่มยะหลนอนละไม่มีความหรือว่าเสียใจมาเจอเรื่องเรื่องข้างหลังห่วงลูกห่วงเมียห่วงบ้านไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ห่วง เพราะว่าก่อนตายเขาก็อบรมลูกของเขาให้มีศาสนาแล้วมันคนบนคนคนมุสลิมเนี่ยพอ ร, รู้ว่าจะตายนี่ก็เป็นห่วงลูกห่วงเมียก่อนใช่ไหไม่มจะห่วงเรื่องเงินนะมาจะห่วงเรื่องบ้านห่วงเรื่องอีมาน ก, กว่ามีศาสนาบ่าวนมาดเป็นบ่าวอ่านกุณงานได้บ่าวนั่นครอบครัวมุสลิมเหมือนครอบครัวคนกาวเวสนะคำว่าห่วงลูกน่ะไม่จะห่วงเรื่องเงินนะห่วงเรื่องอะไรเรื่องอีมานเรื่องตะกว้ามันยาวตีนอิยศาศานอิคลาด มีศาสนาไหมรู้จักอัลลอฮ์ไหมวะลาหุมยาฮ์านองละพวกเขาไม่มีความระทมเสียใจมาดูดูคุณอานอลัยอีกอัลฮาบุญยานนะขาเหล่านั้นมาถึงคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นรอบของเราแล้วก็ยืนยัดเนี่ยพวกเขาอัลฮาบุญจานานเป็นชาวสวรรค์สบายใจไหมสบายใจนะ เหล่านี้แหละพวกเขาเป็นอาซาบอาซาบ์อวชาวจันนาบาวสวรรค์คอลีดีนฟีฮาอยู่ในสวรรค์นี่ตลอดการม่มีออกแล้วข้าไปแล้วเข้าวเลยไม่ออกแล้วเรื่องย้ายที่ไม่มีไปอยู่ในสวรรค์ตลอดอยาจาอันเป็นรางวัลตอบแทนบีมาก า, า, ารูยามาดูในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติอยู่บนตุญญยาเนี่ยเขาเหนื่อยไง มีฮะดิษอธิบายบอกว่าเวลาตายภาพเนี่ยวิญญาณของเราออกจากร่างไปแล้วไปไปอยู่ในทุ่งมาไปอยู่ในอลัลลอฮบรรรัลลาเนี่ยคนที่ตายไปก่อนแล้วจะถามบอว่าไอ้คนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเอเราสั่งมันก็บอกอย่าไปถามข้าปลอยเขาหลับเขาไปเขานอนเขาก็จะ พ, พักผ่อนเพราะเขาเหนื่อยจากโลกจากโลกโลกโลกดุลยามาอย่าไปถามข้าพลอยเขาก็แน่นอนคนนานๆเจอเงี้ยที่เขานนนนนนนเ จ, จะถามว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงใช่ไหมอะ มีคนถามว่าจะพบกันพบกันครับแต่คุยกันไม่ได้ก็ไม่ให้คุยคนที่ตายไปแล้วก็จะถามคนที่มาใหม่เอ้ยไปยังไงเป็นอย่างงี้อย่างงี้อย่างนง้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี้ถามมันเลยกับว่าอลรอสาวไม่ให้คุยได้พบกันหมดกับคนที่ตายไปแล้วกับที่ตายที่ตายที่ตายที่หลังเนี่ยพบกันหมดจะคุยกันด้วยกรับแต่เขาเาให้คุย เพราะว่าเขาเหนื่อยมันจาโลกดุนยาเหนืยกับการนมาตหัดยุ่นเหน่อยกับการอ่านคุณอ่านเหนือยกับการด้ว่าอิสลามถูกดาถูกตทำนี้ถูกนุ่นถูกนี่ถูกมาตลอดเขาต้องการจะมาภักผรตามมาด้วยการภักผ่นะครับความตายไ ม, ไม่ไม่ใช่เรื่องเลวนะเป็นเรื่องดีนะเนการภักผ่อเพราะร้เหนื่อยเดี่นเหนื่อยกับการทํางานศาสนาบนดุนยาแล้วก่อนตาย ใ, ใช่ไม่ใช่เอาดูคนทํางานศาสนาเนี่เหนื่อยไม่เหนื่อยอรอว่าว อาต่อมาครับอายาที่ส5บห้าวัสอยนัลอินซานะเราได้สั่งเสียวัสดอยแปว่าสั่งเสียได้สั่งเสียอินซานมนุษย์ทุกคนนะไม่ว่ากาเฟ่มุสลิมเป็นคนเาลาสั่งหมดเลยสั่งผ่านนาบีบอกว่าบิวารีได้กับบิดามารดาของเขาอีหซานะให้ทำดี ให้ทำดีกับบิดามารดาของเขาทั้งสองนี่สั่งมนุษย์ทุกคนไม่่ความมุสลิมที่เป็นมุสลิมต้องเป็นต้องต้องต้องพิเศษพิเศษเลยต้องเป็นบุคคลตัวอย่างมุหมินจะต้องไมาทะลอกกับพ่อแม่ตัวเองจะต้องไม่ด่าพ่อแม่ตัวเองไม่ตะบาดพ่อแม่ตัวเองต้องดูแลพ่อแม่ตัวเองให้อย่างดีวาสรอนัลอินซานบิวไลไดฮิอิซานอิซานแปลว่าความดี ใครทำดีกับบิดามารดาทั้งสองพ่อกับแม่เนี่ยสองคนเนี่ยเอาใจใครมากกว่ากันเอาใจแม่มากกว่าพ่อนะสอนลูกๆด้วย ต, ต้องเข้าใจมาพ่อแม่กับพ่อเนี่ยก็เป็นพ่อแม่ทั้งคู่นี่แหละต่ว่าเอาใจใครมากกว่ากันเอาใจแม่มากกว่าพ่อฮามัลลัตฮูอุมอูฮูฮามัลลาแปลว่าอุ้มหรือว่าแบก อุ้มคันทีเนี่ยตอนตั้งคันเนี่ยนะฮามาลาแปลว่าบวกแบกหรืออุ้มหรืออุ้มคันอุ้มมโหแม่ของเขาเนี่ยอุ้มคันเขากูรหานด้วยความยากลาบากเนี่ยอรลรรารรรรรรรรรรรรอรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรกรรร ด้วยความลำบากเอาล่ะข้อลูกเด็เจ็บหน้านูนะแล้วลูกๆจะต้องทำดีต้องนึกถึงแม่มากกว่า น, นึกถึงพ่อนะวะ่าวาดออาทุกราหาว่าห้ามลุหูเรืการอุ้มคันของแม่ว่าฟิสอวลลูหูเรืการยานมเนี่ยซลาสูนอาชารอน30เดือน ต้องเลี้ยงนมต้องเลี้ยงนมบุตรด้วยนมด้วยนมแม่นะอย่าไปเลี้ยงนมกระป๋องหรอกนะเพราะว่าอุปรานสังน่งเลี้ยงนมเนี่ยต้องเลี้ยงนมโดยแม่จึงเป็นนมแม่จริงๆจะทําให้ลูกได้ฉลาดแล้วก็มะเร็งจะไม่เกิดขึ้นกับคุณแม่แม่จะไม่เป็นโรคโรคโรคโรคมะเร็งที่เต้านมการดูดนมของลูกเนี่ย Allah ปกป้องหมดเลยแต่เราไม่รู้ไงเดินตามยิฮูดี เดินตามฝรั่งควรนมจะเสียจมหน้าอกจะเสียเดินตามากุรานเลยครับเท่าไรเนี่ยซาลาสูนัสยารันสามสบเดือนเอาตั้งครนกี่เดือนตั้งคันเก้าเดือนใช่ไหมแล้วก็ให้นมมีเท่าไหร่สองปีตามกุรานมันต้องมันต้องสองสองสองปี หัตตาอิซาบาก็อชุดกะหัเมื่อเขาได้บรลุนิติภาวะมีความแข็งแรงว่าบากเาก็อารบไอนาสนานแล้วก็มีอายุถึงสี่สิบทำไมต้องเออสี่สิบเพราะว่านาบีระรับว่าอายุเท่าไร่สี่สิบคนอายุสี่สิบนี่สมบูรณ์แล้วนะคมพลีแล้ว สติปัญญาสมองเรียนหนังสือก็จบแล้วมีงานทำแล้วนี่จะมาเมื่ออายุสี่สิบต้องกลับเนื้อกลับตัวแล้วนะอายุสี่สิบยังยังเล่นยังทําของชั่วอยู่เลยยังทําดีนาอยู่เลยยังข้าวบานนร์นายับอยู่เลยในแย่แล้วฉะนั้นเมื่ออายุสี่สิบนี่คุณอ่านพูดถึงอายุสี่สิบเมื่อเมื่อบรรลุ ถ, ถึงอายุสี่สิบก็ละพวกเขา เขาขอดูอาตอ Allah รอบบีโอ้หัวอิบานของเราเอ๋ยเอาเรียนี้โปรดประทานให้แก่เราอันอัชกุรอให้ฉันได้เป็นผู้ที่ขอบคุณเนี่ยมาจากความโปรดปานของ Allah อันลาตีอันอามตะอัลยาตินได้ประทานให้แก่ฉันว่าอัลาะวารีได้ให้ประทานแกคุณพ่อแม่ของฉันว่าอันอามัลซอหรือละให้ฉันได้มีโอกาสได้ทําอามันติซอและ งานบนาดตารอดาที่อลัลลอฮฺพอใจว่าอัศรียลีและโปรดปรับปรุงกิจการของฉันให้ดีขึ้นยูริยาตีในครอบครัวของฉันต้องขออุอาให้พ่อแม่ขออุอาให้ตัวเองขออุทิให้กับครอบครัวตัวเองให้อลัลลอฮฺได้พัฒนาตัวเองให้ดีให้ลูกหลานตัวเองมีศาสนายูริยาแ่า